เรื่องที่สีเด็กในวัดเซนครูบาอาจารย์ในพุทธศาสนาอย่างเซนมีความนิยมให้ทุกคนแสดงออกซึ่งภูมิธรรมะเท่าที่ตนรู้สึกต่อสิ่งต่างๆในโลกนี้โดยไม่ต้องพรางตัวเองต่อผู้อื่น ลักษณะที่สอนให้เป็นคนตรงต่อธรรมนี้เราจะพบได้แม้นิสัยใจคอของเด็กๆในวัดเซนใครรู้สึกในสิ่งใดว่าอย่างไรก็แสดงให้ปรากฏจะเป็นช่องให้ผู้รู้เข้าช่วยเหลือยกระดับความคิดนึกนั้นๆนได้ตรงจุดในขณะนั้นๆนในเหตุการณ์นั้นทันที ดังนิทานเล่าต่อไปนี้การละครั้งหนึ่งมีวัดในพุทธศาสนาเซสนสองวัดอยู่ไม่ห่างกันมากนักเวลาเช้าเด็กวัดก็ต้องประกอบกิจเหมือนที่เราท่านเคยรู้คือถูกใช้สอยเกี่ยวกับการขบฉันของพระเด็กคนหนึ่ง ต้องไปเอาผักในหมู่บ้านทุกวันในเวลาเช้าต้องเดินสวนกับเด็กวัดอีกคนหนึ่งไม่เว้นแต่ละวันพอเดินสวนกันเด็กวัดหนึ่งก็ถามเด็กอีกวัดหนึ่งว่าไปไหน mm hmm. เด็กผู้ถูกถามตอบว่าไปยังที่ที่เท้าฉันมันไปนั่นแหละ mm hmm. เด็กคนแรกได้ยินคาตอบดังนั้น ทำให้ทึ่งตอบอย่างนี้ไม่ใช่ภาษาธรรมดาตัวเองก็รู้เหมือนกันว่าเด็กกูดตอบตอบอย่างต้องการแสดงภูมิทางเซนครั้นจะพูดอะไรอีกก็ยังสัญหาถ้อยคำอะไรไม่ทันเลยก็ต้องเดินสวนกันไปเสียแต่เนื่องจากอาจารย์เคยสอนทางอบรมบ่มปัญญา คำตอบนั้นจึงค้างคาอยู่ในความคิดถึงวัดจึงไปเล่าให้อาจารย์ฟังเพื่อให้อาจารย์ช่วยไขความหมายอาจารย์ได้สั่งว่าพรุ่งนี้ถ้าเจอให้ถามอีกถ้าเขาว่าเขาจะไปยังที่ที่เท้ามันพาไปแล้วให้เจ้าถามสวนไปว่าถ้าเธอไม่มีเท้าหลักจะไปยังที่ใด หากถามอย่างนี้เขาจะจนเช้ารุ่งขึ้นของวันต่อมาเด็กคนแรกก็ใช้คำถามเดิมเพื่อดักต้อนเจ้าคนนั้นเข้ามุมที่ตนได้เตรียมคำถามซ้อนเอาไว้ไปไหนเด็กคู่ถูกถามตอบว่าไปยังที่ที่ลมมันพัด พอได้ยินคําตอบเปลี่ยนไปอย่างนั้นคําถามที่อาจารย์สอนให้ก็ไม่ได้ใช้ใจก็คิดตัณนิตตัณนิดว่าตอบอย่างนี้มันไม่ใช่ธรรมดาเสียอีกแล้วต้องไปเล่าให้อาจารย์ฟังอีกตกลงต้องเดินสวนกันไปเหมือนวันก่อนด้วยจนคําพูดอีก ท่านอาจารย์ได้ฟังสิทธ์มาเล่าก็ยิ้มละไม่บอกให้สิทธ์ว่าเออพรุ่งนี้ถามอีกว่าจะไปไหนถ้าเขาตอบจะว่าเขาจะไปยังที่ที่ลมมันพาไปก็ให้ถามดักว่าหากไม่มีลมละ่ะจะไปยังที่ใดรุ่งขึ้น ก็ได้ตั้งท่าเตรียมคำถามเสดิบดีพอเดินสวนกันอีกก็ถามขึ้นต่างเคยว่าไปไหนเด็กคนที่สองผู้ถูกถามก็ตอบหน้าเฉยตาเฉยว่าฉันไปตลาดซื้อผักคำตอบอย่างนี้ทำให้คำถามที่หมายมั่นปั้นมือว่าจะเอาให้อยู่หมัด กลับไม่ได้ใช้อีกต้องปล่อยให้เดินสูวนกันไปนิทาน ก, จก็จบจากเรื่องราวที่เล่ามานี้เราท่านจะเห็นได้ว่าอันปัญญาในพุทธศาสนาแท้นั้นก็ยังสูงได้เป็นสองอย่างอย่างแรกอาจารย์หรือผู้ชี้ทางอาจนำให้ขบ หรือพิจารณาอย่างชั้นสูงคือวิปัสสนาภาวนาตามแง่เงื่อนจนสิทธิบและปฏิบัติไปตามนั้นได้จนสิ้นความเห็นวิปลาสเช่นแนะเพื่อมองตามเป็นจริงให้ออกเป็นอสุภะอนิจจตาทุกขตาอนัตตาเป็นต้นชั้นนี้สิทธิพอจะตายเต้า ล่วงเข้าไปในปัญญาอันลึกได้เป็นลำดับลำดับจนกว่าจะทะลุปลุกไปหรือชะลักอยู่ตามขั้นตามภูมิต้องรอไปไม่กำหนดได้ส่วนปัญญาฉับพลันอาจารย์ชี้ให้ไม่ได้สิทธ์ก็จะพิจารณาข่วยคว้าไปตามลำดับลำดับนั้นไม่ได้ อาจารย์ได้แต่พยายามล้อมความคิดของสิทธิ์ให้ชะงักจนมุมอยู่ในปัญหาที่เรียกว่าโกอานไว้เป็นหน้าที่ของสิทธิ์ต้องเจาะแต่ส่วนที่ตนสะดุดหยุดลงเพราะมีปัญหาที่อาจารย์ตั้งดักไว้อย่างเหมาะสมจำเพาะคนถ้าเจาะไปได้ก็เป็นอันเสร็จไม่ต้องไปทำอะไรมาเป็นลำดับลาดับอีก เช่นในนิทานนี้คือในนิทานนี้กลายเป็นเรื่องของอาจารย์เซนต้องการจะโปรดเด็กของอีกวัดหนึ่งเพราะมีถ้อยคำที่แหลมเข้ามาพอที่ผู้รู้เซนจะฟังออกว่าตอบอย่างเซนอาจารย์ของเด็กคนแรกเลยสอนสิทธิ์ของตนให้ไปถามเป็นเหมือนเดินแต้มลุกข้า เพื่อให้เด็กเจ้าของคำตอบนั้นจนมุมใช้ให้สิทธ์เตรียมคำถามหมัดเด็ดไปถึงสองครั้งสองคราวเจ้าตัวกลับเบียงไปเสียพ้นจนฟังเป็นเรื่องขกขันไปเด็กคนแรกนั้นจัดว่าเป็นเพียงผู้เข้าใจธรรมะคือเพียงรู้ว่าคำตอบที่เด็กวัดโน้นตอบออกมาตอบอย่างมีลวดลายธรรมะ ได้แต่รีบเก็บมาถามอาจารย์พออาจารย์ได้ยินก็รู้ว่ามีโอกาสจะโปรดเด็กที่เอ่ยคาชินนั้นแทนที่จะไขความให้สิทธ์ของตนก็ไม่ทำเพราะเรื่องอย่างนี้ถ้าไขบอกให้เฉยๆก็เท่ากับทำให้ลูกสิทธ์ไม่ได้ปัญญาอาจารย์กลับสั่งฝากคำถามซ้อนให้สิทธ์ไปถามเด็กนั้นแทน เด็กคนที่สองก็ไม่แน่ว่าจะมีภูมิธรรมสูงจะสังเกตได้ตรงที่เดินสวนกันวันที่สามกลับตอบอย่างธรรมดาเรื่องเลยจบกันเท่าที่ตอบในวันแรกที่ว่าไปยังที่ที่เท้ามันพาไปกลับตอบในวันที่สองว่าไปยังที่ที่ลมมันพาไปคำพูดอย่างนี้ แม้แสดงแววแห่งความรู้ทางเซนแต่เด็กอาจจะไปจําใครมาพูดก็ได้คำตอบแรกแสดงว่าผู้ที่รู้สึกแล้วตอบเช่นนั้นกำลังเดินอยู่ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานอยู่อาจารย์เซนจึงตั้งคำถามแวกวงให้ขจัดตัวตนให้เกลี้ยงไปอีกเป็นทอดสุดท้าย คือแทนที่จะมาแยกรูปแยกนาว่าเพียงเห็นเกิดดับทุกฝีก้าวของตนโกอานกลับตั้งหลุมดักเพื่อให้เด็กนั้นสะดุดจะได้เพิกไปอีกชั้นหนึ่งเพื่อเข้าถึงธรรมหรือสุญญตาเลยให้ไปถามว่าถ้าเธอไม่มีเท้าหลักจะไปยังที่ใดคำตอบที่สองที่ว่า ไปยังที่ที่ลมมันพาไปนี่ก็แสดงว่าผู้ที่รู้สึกแล้วตอบเช่นนั้นกำลังเดินอยู่ในกายานุปนสัส น, น, นาสติปัฏฐานข้ออาณาปานสติขั้นที่พอจะใช้เกิดดับของลมหายใจหรือกายสังขารมาเป็นอารมณ์ของกรรมาฐาน อาจารย์เซนก็ยังจะผลักให้เลยฉันที่ยังมีกายสังขารเป็นอารมณ์เพื่อเข้าถึงสุญญาตาจึงให้ไปต้อนเข้ามุมด้วยคำถามว่าถ้าไม่มีลมพัดล่ะจะไปยังที่ใดเป็นที่น่าเสียดายว่ามัดตายที่อาจารย์ฝากให้สิบไปถามเด็กนั้นถึงสองครั้งสองคราวไม่ได้ใช้ เพราะคู่ต่อสู้เบี่ยงไปนอกทางธรรมะดูเอาเถิดท่านทั้งหลายนิทานทั้งสองเรื่องนี้ล้วนเป็นเรื่องของเด็กที่เป็นไปได้เพราะอิทธิพลแห่งพุทธศาสนาในสมัยลุ่งเรืองทุกหนทุกแห่งแม้ในวัดหรือกลางถนนต่อหน้าอาจารย์หรือลับหลังอาจารย์ เซนก็สามารถถ่ายทอดไปทั่วไม่หยุดยัง้งจึงนับว่าสมัยนั้นเป็นยุคทองได้อีกเหมือนกัน